พุทธเจ้าเสด็จมาอยัางแผ่นยินไทยและตำนาสตรีสูงสักเมื่องรับแหลยความมาจรจั์นานาประการที่หลวงปู่บุญทันเคยประสบด้วยตนเองซึ่งผู้อื่นก็เคยพบเคยเห็นเรื่องราวอันลี้ลับอยู่เหนือคำอธิบายเพื่อความเข้าใจให้ถ่องแท้ สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีที่มาที่ไปที่สุดหลวงปูพบตำราคำพีธรรมซึ่งเขียนถึงตำงานพื้นเมืองดั้งเดิมเล่มหนึ่งเป็นภาษาล้านนาไทยจารึกด้วย อ, อักษรบบราณอีกเล่มหนึ่งเป็นสมบัติของท่านพระครูสังขรักถึงวงดาวแห่งวัดเมรังคราวาสซึ่งเรียบเรียงเองจากหนังสือเก่าแก่บูราณกาล หนังสือตำนานพระทาตจอมแจ้งมีข้อความจาลึกไว้ดังต่อไปนี้ลุสมัยปัจฉิมพโพธิการก่อนสมเด็จพระบรมศา ส, สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพานพระบรมศาสดาทรงพิจารณาด้วยพุทธญาณเล็งถึงปวงสรรพสัตว์ที่ตกค้างอยู่ในวัฏจักรอันกันดานนี้ยังมีผู้อยู่อีกเป็นนันมาก พระผู้แจ้งโลกจบจักรวาลจึงทรงมีพระมหากรุณาเพื่อให้ปวงเหล่าสัตว์ผู้เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายบรรลุถึงสถานที่อันพึงกเกษมนิพนั์คือพระนิพพานอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นทั้งปวงซึ่งเป็นความปรารถนาของผู้มีกิเลสเจือจางเบาบางลงแล้วยามกลางคืนจวนใกล้ลุ่ณเชตวันมหาวิหาร สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพิจารณาใคร่ครวนถึงหมู่สัตว์ผู้เข้ามาติดข้องในขายพุทธยานทรงปรารถนาถึงสองตายายไวยชราผู้ยากไรทำไร่ปลูกเผือกปลูกมันขายเลี้ยงชีวิตมีกระท่อมสุดโสมอยู่ที่คุ้นขาวลูกหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิเมืองโกไยบุรีสองตายายผู้ชราต่างมีศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระสัจธรรม ขอเพียงได้สดับพระธรรมคําสอนจากพระโอษฐ์แห่งพระบรมศาสดาเพียงครั้งเดียวจากครูแจ้งสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมในฉับพ ร, ร, รันทันใดรันแสงสีทองของอรุณรุ่งปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าสมเด็จพระบรมศา ส, าสดาทรงโฮมจีวรมีบาทอยู่ในพระหัตตเสด็จออกจากเชตวันมหาวิหารพร่างพร้อมด้วยพุทธสาวกและมหาบริสัท คือองค์อินทราธิลาชผู้เป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอนุชาคือพระอ น, นุ์ผู้เป็นพุทธอุปาัากเสด็จจาริกโปรดเวนัยสัตว์ตามนิคมน้อยใหญ่ไปโดยลำดับถึงภูเขาลูกหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสแสดงพุทธานุภาพวางบาทลงณยอดเขาลูกนั้นซึ่งมีศิลาอันงดงามผิวหน้าเกลี้ยงเกลา รันศีลานั้นบังเกิดมหาสจรรย์อ่อนนุ่มโดยพุทธานุภาพอันเป็นพุทธวิสัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกพระองค์เกิดเป็นรอยบุ๋มด้วยก้นบาทปรากฏชัดและยังมีปรากฏอยู่เช่นนั้นตราบเท่าทุกวันนี้ปัจจุบันเรียกว่าดอยปูกวางดูทิศใต้ของโกไยบุรีซึ่งเป็นชื่อเมืองในตำนาน รันดับยังอยู่ณที่แห่งนั้นพอหัลุไทยแล้วจึงเสด็จไปยังภูเขาอีกลูกหนึง่งสนิทฐานลักษณะงดงามจากการตาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างโดดเด่นไม่เกี่ยวเนื่องกับคุณเขาที่รายร้อมรอบสมเด็จพระบรมศ า, าสดามีพระประสงค์จะล้างพระหัต์แต่บนยอดภูเขาอันโดดเด่นแห่งนั้นปราศจากแหล่งน้าจึงทรงสแสดงพุทธานุภาพให้น้าอุบัติขึ้น ใช้พระหัตเบื้องขวาสัมผัสตะลงไปที่ยอดภูเขาพลันศิลาที่แกร่งกระด้างก็แวกทางไปตามพระหัตถ์มีบ่อน้ำใสบริสุทธิ์สะอาดเพื่อเป็นที่รองรับพระประสงค์ในอันภิกรล้างพระหัตถ์แห่งพระบรมศาสดาบ่อน้ำอนุบัติขึ้นเองโดยพุทธานุภาคดำรงคงอยู่มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณกาลเรียกกันว่าบ่อน้าทิพป์ปัจจุบันบ่อน้าทิพ อยู่ที่บริเวณวัดพระาธาตุจอมแจ้งลักษณะเป็นบ่อห้าเหลี่ยมเท่ากับมือห้านิ้วต่อมาในภายหลังมีพระยาดับไั่ช่วยขุดเสริมแต่งให้ลึกกว่าเดิมลงไปอีกแต่คงเข้าเดิมไว้โดยร้อยก่ออิดถือปูนต้องกันคนใจฉุดและสัตว์ผู้ไม่รู้ความทำสซกับลกณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระศาสนา ภูเขาอันอุบัติบ่อน้ามที่ขึ้นแล้วมีตายายสองผู้เฒ่าปลูกกระท่อมอาศัยอยู่ยึดอาชีพเลี้ยงตนเองด้วยการปลูกเผือกปลูกมันนำไปขายแลกเป็นเงินต่างมีพุทธศาสนาเป็นประทีปนำทางชีวิตสองตายายผู้เฒ่าลายเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จถึงแม้ไม่รู้มาก่อนว่าคือผู้ใดแต่พุทธลักษณะอนุดงามมีวรณะ่องใสดุดทองคาบริสุทธ เกิดจิตเคารพเองโดยไม่ต้องรอใไขครชี้แนะพระบรมศาสดาทรงตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าสถานที่แห่งนี้คงจะมีถ้ำเป็นแน่แท้ไม่เจ้าค่ะมีทำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนี้สองตายายผู้เฒ่าจริงกันตอบด้วยความพิติปรามอดเกิดความคิดขึ้นว่ามหาบุรุษท่านนี้มีลักษณะเลิศกว่ามนุษย์ทั้งปวงในโลก แม้ทวยเทพเทวาก็หามีลักษณะมหาบุรุษดังนี้ไม่จำเราจะถวายอาหารอันปราณีตโอชารสแด่มหาบุรุษแต่ความดำดีนั้นเป็นเพร่โดยจิตทัทาประการเดียวเนื้อแท้ข้าวสักเม็ดก็ไม่มีติดในยุ่งฉางตาผู้ชรา ถ, ถึงลองสั่งยายผู้เฒ่าให้เร่งไปขุดหัวเผื่อหัวมันในไร่ของตนมาถวายแด่มหาบุรุษยายกุลีกุจอไปขุดหัวเผื่หัวมัน ง, งาม ใด้สามหัวรางน้ำไปต้มสุกดีแล้วจึงนำมาใส่บาตรถวายสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีดำรัสอนุโมทนาให้สองตายายผู้เฒ่าได้ปลื้มพิติยิ่งขึ้นไปอีกใส่บาตรให้เราตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนักสองตายายทราบแน่ชัดว่ามหาบุรุษผู้สง่างามยิ่งกว่าเทพเจ า, าทั้งปวงคือพระศาสดา ยิ่งสวีความพิติปรากเปลื่มโสมนัสน้ำตาไหลพรากด้วยความพิติและกราบลงแทบพระบาทแห่งพระศาสดาสมเด็จพระจอมไตรมูลมศาสดา ลงเสยหัวมันในบัดเดีย๋ยวนั้นแล้วทรงเทศนาอุนุอนุปุกพิกาซักฟอกจิตสองตายายผู้เท่าให้หมดจดเป็นชั้นๆไปดังนี้ทานกถาคือการพนานาถึงอนิสงผลบุญที่มนุษย์ในพระศาสนามีจิตเสียสละทาบุญสุนทานเช่น การตักบาตรทำบุญเป็นต้นสีละกถาคือการพัฒนาถึงอันิสงผลบุญที่มนุษย์พึงได้รับเมื่อรักษาศีลครบถ้วนบริบูรณ์สัตตกถาคือการพัฒนาถึงสูงสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นดินแดนแห่งความสุขส่วนเดียวไม่เจอด้วยทุกข์แม้แต่สักเท่าตัวเลนมนุษย์ผู้ใดรักษาสีหนักแน่นมั่นคงถาวรตลอดสิ้นอายุไข มีเจริญสมาธิภาวนาบ้างตามกาลสังขารแล้วจะได้อุบัติเป็นเทวบุตรเทวทิดาสเสวยสุขยาวนานเกินการประมาณของชาวโลกการมาทันวกถาคือการพนานาเห็นโทษของกามคุณทั้งหลายทั้งปวงเนกขรมมานิสังสักถาคือการพนานาถึงอนิสงของการออกไปพ้นจากกามคุณทั้งห้าประการได้แก่ รูปรถกลิ่นเสียงการถูกต้องสัมผัสทางร่างกายออกบวชเพื่อละสิ่งเหล่านั้นเชื่อฟังพระธรรมจากองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแล้วสองตายายผู้เฒ่าได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญาณตนยึดถือคุณพระรัตนไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกไปตลอดชีวิต จากนั้นกรบทูลถามพระบรมศาสดาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ท, ที่อยู่ของข้าพระพุทธเจ้าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนอดอยากปากแห้งข้าวยากมากแพงพืชพันธัญญาหารเหี่ยวแห้งตายไปแทบไม่หลงเหลือจกมีผู้ใดอุปถรัรมบำรุงพระศาสนาให้อยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าองค์พระพทีีแก้วจัถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไร สองตายายผู้เท่ากราบทูนว่าเป็นเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำปีจอสมเด็จพระบรมสารีรตรีทอดพระเนตรไปโดยรอบพระโอรกายและสว่างสวัยด้วยความงดงามตามธรรมชาติจึงทรงยาํพระโอษฐ์ตรัสกับพระอนนต์พระอุปถาดูก่อนพระอ น, นุ์สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรื่องลงควรยินดีไม่ช้า จักเป็นที่ตั้งแห่งศาสนาของตถาคตอีกแห่งหนึ่งพุทธะอนุชาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปีชาจาร์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบรมครูของสามภพสามโลก ผู้เห็นการอันจักบังเกิดในอนาคตเบื้องหน้าขอทรงพระมหากรุณาประธานพระเกศาธาตุสถิตไว้น้าที่แห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งอันประเสริฐสำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจักได้มาการะบูชาเพื่อความสุขความเจริญแห่งตนสืบไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ลูกไปยังเบื้องพระเสียนได้พระเกศามาสองเส้นพระอนุ์พุทธอนุชา รับมาด้วยกระบอกไม่ร่วงแล้วยื่นส่งต่อไปให้องค์อมรินทราธิราชผู้เป็นใหญ่แห่งสวงสวรร์ชั้นดาวดึงเมื่อรับมาแล้วพระอินผู้ทรงศักดาพิเิหารได้เนรมิตพระอบทองคําขึ้นใบหนึ่งใหญ่ประมาณเจ็ดกำ ม, มือบรรจุพระเกสาธาแห่งพระบรมศ า, าสดาแล้วเนรมิตประสาทหลังหนึ่งสูงสองวาสี่ศอกขุดอุโมงค์ลึกเจ็วาก่อด้ดินและอีกเงินดา นำแก้วแหวนเงินทองบรรจุไว้ภายในนั้นเป็นอันมากเพื่อบูชาพระเกศาธาตุจากนั้นนำพระอบทองคำบรรจุพระเกศาธาตุกับประสาทใหญ่ทั้งหลังลงไว้ในอุโมงค์ท้ายหลังมีการก่อพระเจดีย์ครอบไปอีกชั้นหนึ่งสูง14วา2ศอกเมื่อพระอินทราธิราชเจ้า สำเร็จการประดิษฐานแล้วสมเด็จพระปทีแก้วสงจัดกับพุทธอนุชาผู้ใดมีจิตสถามาสร้างพระเจดีกุติวิหารสลาบันไดานาศหรือได้มาทำบุญให้ทานพร้อมทั้งน้ำมการอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิบุคคลผู้นั้นจกได้พระนิสง์อันประมาณไม่ได้ทั้งพบนี้และพบหน้าจากได้บรรลุถึงมรรคและนิพพานในการอันใกล้นี้แล พุทธานุชาพระอานนท์ผู้มีปรีชาชาญรอบรู้การพูดการถามเหมาะสมทุกประการจึงทูลถามความโดยละเอียดองค์พระศ า, ศาสดาทรงมีพุทธคดดังนี้ผู้มีศรัทธามาเสริมสร้างความรุ่งเรืองให้แก่พระศาสนานี้ให้ระลึกถึงท้าจัตุรนมหาราษทั้งสีและกระทำการบูชาบูชาพระอุปคุตมหาเถระบูชาพญานาคราช บูชานางแม่เจ้าธรณีให้จัดทำหอขึ้นสองหลังมีเครื่องเท้าห้าประการของกินให้ครบบริบูรณ์มีข้าวต้มขนมอ้อยคันน้ำน้ำตาลธงร้อยผืนช่อร้อยตัวชับใยสี่ใบมีคันยาสี่ศอกให้บูชาเทวดารักษาต้นเกลืออยู่ทิศใต้ต้นข้าอย่าให้ขาดจะรุ่งเรือง ต่อไปฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ดัญญาหารจะงอกงามคนทั้งปวงอยู่สุขสบายไร้โลคาพยาธิรบกวน องอินผู้เป็นใหญ่บนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอานุ์พุทธอนุชากราบธูนราตนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจาริกโปรดเวนยสัตว์อย่างนิคมคามอื่นต่อไปก่อนจะทรงสเสด็จสมเด็จพระประทีบแก้วทรงตัดเป็นพุทธภยาก ร, กรกับพุทธอนุชาดูก่อน อ, อนุ์สถานที่แห่งนี้ต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อเราตถาคตปรินิพานไปแล้ว สาวกของเราตถาคตองค์อื่นจักนํอาอัธิหัวแม่มือเบื้องซ้ายของตถาคตมาบรรจุไว้ยังสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พวงเขาเหล่านั้นด้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานต่อไปในการเบื้องหน้าและในการต่อไปจักมีพญาองค์หนึ่งเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจักได้สถาปนาบุรณะ ซ่อมแซมให้จำเริญรุ่งเรืองอีกซื้อไปพญาองค์นั้นก็คือพญาลิไทสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงมีพุทธดีกาดังนี้ภายภาคหนา้ามหาชนผู้มีศรัทธาจากพากันมากราบว่าดูชาพระเจดีย์อันบรรจุพระเกศาธาตุแห่งนี้ และจากมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสถานบุญดเขตแห่งนี้จักได้ชื่อว่าพระธาตุจอมแจ้งนับแต่เพลานั้นเป็นต้นมาพระธาตุจอมแจ้งก็อุบัติขึ้นในโลกให้หมาชนได้ ก, กราบไหว้บูชากันมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ นับเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในพระศาสนาเพราะเป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุอีกทั้งพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยเมืองรับแลกกับวัดพระธาตุจอมแจ้งเมื่อวัดพระธาตุจอมแจ้งอุบัติขึ้นในโลกบริเวณวัด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกลับมีภพภูมิสลับทับซ้อนกันมาหลายมิติหนึ่งในจานวนนั้นคือมิติหนึ่งแดนลับแหลซึ่งคนมาทราบความจริงนึกเองเออเองว่าเป็นนิทานหลอกเด็กเชื่อเองอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งไม่คิดว่าคำพูดที่มีคนบันดัดขึ้นย่อมมีที่มาเช่นพ่อแม่พี่น้องคาพูดเหล่านี้ถ้าไม่เคยมีตัวตนมาก่อน ใครจะบันดัดขึ้นมาแบบเพ้อเจร์และมีผู้ยอมรับนับถือเอาไปเรียกขานมิฉะนั้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของพระาธาตุจอมแจ้งมีถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีวัวชื่ออุสุภราชอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นทั้งยังมีวิญญาณลึกลับอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันวัวอุสุภราชนี้เป็นวัวประหลาดคล้ายวิญญาณวัวบางคราวก็มีเนื้อหนังมังสาอย่างวัวจริง บ่อยครั้งที่วัวประหลาดตัวนี้ออกจากถ้าไปกัดกินต้นข้าวของชาวบ้านในถินนั้นกระทั่งคราวหนึง่งชาวบ้านหนองไร่พบว่าที่นาของตนมีวัวสําคัญตัวหนึง่งกําลังกัดกินต้นข้าวเพลิดเพลินจึงชใชาวุ้ไล่ตีหนีตเตลิดไปถึงถ้าใหญ่ปรากฏว่ามีผู้คนกลูกันออกมาจากในถ้าแห่งนั้นห้ามปรามไม่ให้ทําร้ายบัวหยิบหัวขมินหลายหัวใส่ถุง หม้อภเจ้าบ้านเป็นค่าเสียหายชาวบ้านเกิดความเกรงครัวผู้คนในถ้ำเนื่องจากถ้ำไม่มีอาหารใดๆไม่มีการติดต่อโลกภายนอกเมื่อพวกนั้นดำรงชีวิตได้ต้องเปกลุ่มชนที่มีเบื้องหลังหน้าประวันพลั่นพึงกลุ่มชาวบ้านเร่งสีเท้าเดินกลับมาหมู่บ้านชายคนที่รับเอาถุงขมิ้นมารู้สึกถุงหนักมากนึกว่าหัวขมิ้นไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรเดินพลางก็ยีหัวขมิ้นทิ้งไปพาง เหลือติดก้นถุงเล็กน้อยเมื่อเข้าถึงเขตชุมชนกลับเข้าบ้านก็หยิบหัวขมิ่นที่เหลือพิงหัวเดียววางไว้บนหิ้งตกค่ำชายคนนั้นเข้านอนสบายใจลุ่งเช้าเดินผ่านหิ้งตรงตกตะลึงจัง ง, งังเมื่อแล้เห็นหัวขมิ่นเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นทองคววําแวววาวทอประกายเหลืองอารามนึกรู้ในทันใดว่าชาวบ้านลึกลับที่อาศัยอยู่ในถําคงเป็นชาวเมืองรับแลซึ่ง ได้ยินเพียงเสียงล่ำลือชาวรับแหลมอบทองคำให้ทั้งถุงแลกกับการให้ผู้คนไล่ทำ้ายหัวอุสุภราชชายผู้นั้นฉุกคิดว่าหัวขมิ้นที่โยนทิ้งต้องเป็นทองคำทุกหัวจึงรีบวิ่งออกจากบ้านมองดูตามรายทางที่จำได้ว่าโยนหัวขบิ้นทิ้งหาอยู่นานจนท้องร้องด้วยความหิวโหวยยังไม่เจอสักหัวเสียใจในความผู้วามของตนเองประโยน์ของล้ำค่าทิ้งไปสึกเกบหมด ซึ่งชาบ้านไล่ตีวัวอุสุพราชจึงถูกเรียกว่าบ้านหนองไร่หรือบ้านหนองไร่มาตราบเท่าทุกวันนี้ต่อมาชาวบ้านเกรงว่าวัวประหลาดของชาวเมืองละแวกจะออกมากัดกินต้นข้าวอีกเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุขัดเคืองกับกุ่มชนลึกลับผู้นาครามเกรงชาวบ้านหนองไร่จึงประกอบพิธีทางศาสนาก่อสร้างเจดีย์ปิดปากคามิชิ วัวอุสุพราชจึงเงียบหายไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในตำนานพระธาตุจอมแจ้งได้กล่าวรายละเอียดปลีกย่อยของวัวอุสุพราชไว้ด้วยว่าก่อนจะกอ่อสร้างกำแพงเป็นเขตปริมนทนของวัดพระธาตุจอมแจ้ง วัวอุสุภราชได้ออกมาปัสสวะรถพื้นดินเป็นแนวเขตไว้คนเก่าคนแก่ในครั้งนั้นจึงก่อกำแพงตามรอยวัวปัสวะถือว่าเป็นวัวชา ล, ลับแลลต่อเป็นวัววิเศษพิษกว่าวัวธรรมดาจึงทำให้กำแพงวัดมีรูปลักษณ์คดไปเคี้ยวมาเหมือนรอยวัวเดินปล่อยปัสวะผ่านจากสมัยวัวอุสุภราชออกมาเกี่ยวข้องกับชาวบ้านหนองไร่หลายร้อยปี องค์พระเจดีย์ธาตุจอมแจ้งเกิดความเปลี่ยนแปลงชำรุดทุดโทรมเพราะการทำศึกสงครามและภัยธรรมชาตินาน า, นาประการพุทธศตวราษ1900อาณาจักรล้านานาไทยมีเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรคือพญาลิไทยพญาลิไท ย, ท, ยทรงเลื่อมใสศรัทธานในพระบวรพุทธศาสนาเปี่ยมล้นพระไทยเมื่อทรงทราบว่าภูชนยสถานสาคัญในกันดินชำรุดทุดโทรมลงเปน็นอันมาก จึงกะเกณไพร่พลเหมือนกีตาทัพออกทำศึกแต่แท้ที่จริงแล้วคือยกกำลังลีพลไปปฏิสังขรองค์พระเจดีซึ่งบรรจุเกษาทธาตุแห่งองค์พระศาสด า, ธาให้มั่นคงถาวรสื่อไป ที่แห่หนึ่งจอเย็นพยาลิไทยทรงตัดสั่งให้พักลีผลลงที่นั่นช้างสำคัญเชือกหนึ่งแบกของหนักเกินกำลังจนกระทั้งหัวใจแตกตายอีกทั้งละแวกแถบถิ่นนั้นมีกวางอาศัยอยู่ทุกชุมการต่อมาเมื่อเกิดมีหมู่บ้านขึ้นจึงเรียกว่าบ้านกวางช้างหมู่หมู่หรือมูบคือหมอบในภาษากลางจากบ้านกวางช้างหมู่ ทับของพยาลิไทยยกมาลุ้งสางสว่างแจ้งที่ดอยแห่งหนึ่งภายหลังผู้คนถิ่นนั้นพากันเรียกดอยด้านทิศตะวันออกของบ้านกวางช้างหมู่ว่าดอยจวนแจ้งและเพียนเสียงในสมัยต่อมาเป็นดอยจอมแจ้ง เสด็จพระราชดําเนินขอพระญาณิไทไปครั้งนี้มีสนมเอกสองนางร่วมอยู่ในกระบวนทัพคือนางแก้วกับนางแมนสองสนมเอกเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยบุรณะปฏิสังขรพระาธาตุช่อแฮและพระาธาตุจอมแจ้งนางแก้วกับนางแมนเมื่อละสังขารไปตามกาลเวลาความที่มีจิตผูกพันกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต จิตวิญญาณจึงแ น, วน่วหนิงดิ่งตรงมาสถิตยอยู่ที่พระเจดีย์ปิดป่าถ้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุจอมแจ้งนางทั้งสองจะปรากฏร่างให้ชาวบ้านพบเห็นเสมอจากสมัยนั้นมาจวบจนถึงสมัยปัจจุบันการแสดงร่างของนางสนมเอกทั้งสองมาในรูปรักษ์ครั้งที่ยังเป็นสนมเอกมีชีวิตอยู่คือเป็นสาวสะารโฉมใบหน้าหวานซึ้ง สวยงามราวเทพธิดาเรือนร่างอวบอัดผิวกายขาวผุดพองเป็นยองใหญ่มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทั้งสอ ง, งานางบางหนที่สอ ง, งานางผู้ทรงโฉมพิลาดล้ำปรากฏกายในชุดชาวบ้านธรรมดาแต่ความงามอันโดดเด่นก็เป็นที่ชื่นชมของพวกชาวบ้านในแถบจีนนั้นต่างร่ําลือกันว่าสาวงามราวเทพธิดาทั้งสองเมื่อเที่ยวไปขอยืมฟืมหรือเครื่องทอผ้าของบ้านใดบ้านหนึ่ง นางจะนำมาคืนไม่ทันชักช้ายืมตอนเย็นจะนำมาคืนตอนเช้าตู่หากยืมตอนเช้าตู่ก็จะนำมาคืนในตอนพบค่ำความงามของนางทั้งสองและวาจาไพเราะอ่อนหวานชาวบ้านที่ให้ฟืมหยิบยืมต่างเสนหาพากันรักใคร่เอ็นดูไปตามกันเมื่อนางมอบหัวขมิ้นให้เป็นสินน้ำใจตอบแทนการยืมฟืมชาวบ้านจึงปฏิเสธไม่รับหัวขมิ้นขันตายถามว่า นางทั้งสองมีบ้านเรือนอยู่แห่งล้นตำบลใดสองนางงามผู้ทรงโฉมพิไลพิลาชจะตอบบ่ายเบียงไม่ยอมเปิดเผยสถานที่อยู่พวกชาวบ้านเกิดความไข้รู้ถึงกับรอบสะกดรอยตามเพื่อให้ประจักษ์ชัดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยของนางทั้งสองชาวบ้านจึงพบว่าเมื่อสองนางผู้เลอโฉมเดินถึงบริเวณวัดพระธาตุจอมแจ้งแล้วอันตรธานหายวับไปในทันทีส่วนใหญ่จะเป็นเวลาโพลอเพล ไก่มืดคำชาวบ้านลงความเห็นว่าชาลอยนางผู้งดงามทั้งสองคงเป็นชาวเมืองรับแลอันมาจัดจันเป็นแน่แท้เมื่อสองสาวโฉมงามเที่ยวมาขอยืมฟื้นมิกและมอบสินน้ำใจเป็นหัวขมิ่นเช่นเคยชาวบ้านผู้หนึ่งจึงรับหัวขมิ่นนั้นไว้คิดว่าหัวขมิ่นจากเมืองรับแล น่าจะมีคุณวิเศษหัวขมินที่ปลูกอยู่ทั่วไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาบ้านดังกล่าวตกตะลึงพึงเพลิดเมื่อหัวขมินเปลี่ยนสภาพเป็นทองคำบริสุทธิ์เหลืองทองอลามนำไปให้ผู้รู้เกี่ยวกับเพชรทองตรวจ ด, ดูผู้รู้ยืนยันแข็งแรงว่าเป็นทองคำแท้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต้อนใหญ่ได้ดทันที นานนับหลายร้อยปีผ่านไปพระทุดงรูปหนึ่งจาริกมาจากป่าดงดิบอันกันดารเจตานาเพื่อสการะพระทาาจอมแจ้งคณะพักอยู่ในวัดพระทุดงรูปนั้นกล่าวให้สมภารเจ้าว่าทราบว่าสองนางผู้สการโฉมราเทพธิดาลงมาจุติคือเทวทิดาจริงครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คือสนมเอกอวยาลิไทยนางแกวกับนางแมน เหตุที่จิตของนางทั้งสองประวัติถึงพระทตดจอมแจ้งก่อนจะละสังขารอันาจ บ, บุญกิริยาที่สั่งสมไว้ที่ยิ่งใหญ่จึงชักจูงดวงวิญญาณสองสนมเอกให้มาสิงสถิตยอยู่กับแหล่งของพวกนางต่อมาเชิเมืองรับแหลอันเชิญนางทั้งสองไปเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ในมิติลึกหลับเมื่อพระธุดงโคโจรจากไปสู่ป่าเขาลเนอไรแล้วสมภารเจ้าจอาวาส จึงเปิดเผยความลี้ลับนี้ให้สานุสิทธิ์ใกล้ชิดได้รู้สานุสิทธิ์คือเชาวบ้านจึงบอกกันต่อไปกระทั่งรู้ทั่วว่าสาวงามทั้งสองแท้ที่จริงก็คือสาวเมืองลับแลเมื่ออดีตการก็คือนางแก้วกับนางแมนสนมผู้เลอโฉมของพระยาลิไทยแต่ชาวท้องถิ่นยังมีความเชื่อฝังหัวมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดว่า สิ่งใดก็ตามหากอันตรธานหายวับไปทั้งทั้งเทียนอยู่ว่ามีเลือดเนื้อเดินเหนืนได้สิ่งนั้นตีความสถานเดียวคือผีค้ามสอ ง, งานางผู้เลอโฉมพี่ลหลพี่ลาดที่ออกมาหยิบยืมฟืมนอีกชาวบ้านดีๆม่ อ, ฟ, มอฟืมนทอผ้าให้ก็จริงแต่ไม่กล้าซักถามมากความคือกลัวเกรงไปว่าคนกำลังเจอผีผีมีอั น, นาจให้คุณให้โทษได้ไม่ควรพูดก็อย่าพูดเป็นดีที่สุด สมัยปัจจุบันสองนางสนมผู้เลอโฉมจึงเป็นบุคคลลึกลับที่มีแต่คำล่ำลือถึงจะมีผู้พบเห็นเป็นบางครั้งบางคราวต่างวาดกลัวพวกนางไป ต, ตามๆกันนำเทพธิดาไปปนเป ก, กับวิญญาณคนโบราณที่คอยดูแลคุ้มครองพระธาตุจอมแจ้งและหลอกหลอนผู้มีจิตโฉดชั่วเข้ามาทำสิ่งใดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กระทั่งแยกไม่ออกว่าเทพธิดากับผีสาวนางไม้อะไรเป็นอะไร ถึงจะเป็นจำพวกกายทิพย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นเดียวกันแต่ความต่างเหมือนสวรรค์ต่างกับนรกนั่นแหละหลวงปู่บุญทันกล่าวในที่สุดว่าแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงโลกให้เจริญทางวัตถุเพียงไรวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของนางแก้วกับนางแมนก็คอยดูแลสถานที่ซึ่งพวกตนเคยบูรณะปฏิสังขรแด่ฝูงวิญญาณอันเคยเป็นบริวารของนางทั้งสองก็ยังมีอยู่เช่นกัน ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาพระธาตุจอมแจ้งสื่อไปอีกนานเท่านาน